ถ้าเมื่อไรเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันนะเราจะรู้กายรู้ใจตัวเองไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไรเราหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันนะเราจะรู้กายรู้ใจโดยอัตโนมัตินะจะรู้อัตโนมัติเลยเพราะฉะนั้นหน้านที่ของเราคือต้องรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาจากโลกของความคิดให้ไดนะ้วิธีการที่ง่ายที่สุดนะที่เราจะตื่นออกมาจากโลกของความคิดนะให้เรารู้ทันว่าจิตคิดนะตรงนี้ฟังให้ดีนะ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 คนอื่นขายผักอยู่นะเมืองสุรินทร์มันร้อนนะคนอื่นหน้าเหี่ยวหมดเลยแม่คนนี้ผักเขียวในหน้าตาเบิกบานน <c oughs> ะตอนหลังไปเจออยู่ที่วัดสาขาหลวงปูดูลภาวนาภาวนาดีนะพราาขายผักไปจนเข้าใจธรรมะผักวันนี้ขายผักอยู่ไม่มีคนมาซื้อเลยกลุ้มใจรู้ว่ากลุ้มใจเห็นใจมันกลุ้มน ะ, ะความกลุ้มไม่ใช่ว่าห้ามได้ใจมันกลุ้มไม่ใช่เรากลุ้มเห็นไหย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 เตือนเตือแต่ว่ามันติดการบังคับตัวเองเยอะไปนะยังบังคับตัวเองมากไปนิดนึงนะคลคลายออกไปอย่า ก, กลัวเผลอถ้ากลัวเผลอนั่นแหละเผลอ <c oughs> สังเกตไหมใจมันนิ่งนี่แหละเราบังคับไว้นะค่อยๆไปดูนะให้กันบ้านไ ป, ไปดูให้ออกนะว่าบังคับยังไง หลวง่ออีกข่ามครับถ้าถ้าเกิดสมมติมผมจะมเห็นเวล า, าผมไปบวชกับหลวงพ่อได้ไหมครับหลวงพ่อต้องดูก่อน <c oughs> คนจะมาสมัครบวชกับหลวงพ่อเยอะเลยนหลวงพ่อสองสัต้องสร้างคอนโดพระ <c oughs> เอาว่างไงนมัสการหลวงพ่อคะ่ะคือฟังเสียดีหลวงพ่อมาเยอะเหมือนกันคืออยากจะทราบว่าตัวเองลองปฏิบัติแล้วอยากจะทราบว่าที่รู้รู้ถูกหรือยังคะเห็นกิเลสบ่อยไหมวันวันหนึ่ง ไม่บ่อยมากค่ะขนาดเนี้ยรู้สึกตัวยังคิดว่าขนาดเนี้ยรู้สึกตัวยังไม่แน่ใจค่ะเออไม่รู้สึกอ่ะ <laughs> ยังไม่ได้รู้สึกนะแต่ว่าใกล้เคียงแล้สังเกตไหมใจของเราที่มาถึงวันนี้อะกับก่อนหน้าเนี้ยเริ่มไม่เหมือนกันล้วดูออกไหมใจเราสว่างมากขึ้นโห <c oughs> ล่งมากขึ้นเบามากขึ้นดูออกไหมตรงเนี้ยออกค่ะเออเนี่ยคอยดูความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย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 เป็นธรรมดาที่จะต้องขาดเพราะสติก็ไม่เจี่ยงเหมือนกันค่ะรู้สึกไหมตอนส่งไมลืมตัวเองเอออย่างเงี้ยเนี่ยตรงตรงเนี้ยจิตที่ตื่นเป็นอย่างเงี้ยรู้สึกไหมไม่เหมือนเมื่อกี้นึกออกเปล่าเมื่อกี้มันทื่อๆอยู่เนี่ยเริ่มทื่อแล้วเนะพราะใจสงสัยใช่ไหมเนี่ยถ้าเรารู้ลงปัจจุบันปับ๊บมันจะตื่นขึ้นผังเลยเนะนี่ยแอบไปคิดแล้วทราบไหม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 ปว<อ>ดหักไหมเป็นบ้างบางครั้งแต่าบางครั้งก็ก็คือสบายนิ่งอย่างเงี้ยค่ะแตเป็นเป็นบางครั้งว่าเหมือนเราเราคน้นเข้าไปค้นในจิตว่าเออเราทําอะไรเข้าไปค้นนะให้รู้ว่ากําลังค้นอยู่นะ อ, ะเอ่เวลาจิตเที่ยวไปค้นให้รูว้ว่าค้นจิตไปดูให้รู้ว่าไปดูหลายคนเวลาจะดูจิตเนี้ยส่งจิตไปดูรู้สึกไหมในใจเราคล้ายๆมีจอโทรทัศน์อยู่อันหนึ่งเวลาเราจะดูจิตนั้นเราส่งจิตเข้าไปดูเข้าไปกวานกวนก่อน น, นนะ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 ยกตัวอย่างสมมติว่าเรากําลังขับรถอยูนะ่เรามองเห็นรถปาดหน้าเนี่ยตาเรามองเห็นรูปรูปนั้นเป็นอารมณ์ปัจจุบันพอเราเห็นเขาปาดหน้าปุ๊บเราคิดนะแหมไอ้นี่ร้ายมากมึงปาดเราจิตมีโทสะโทสะเป็นอารมณ์ปัจจุบันให้รู้ที่โทสะนะไม่ต้องไปดูดคนที่ปาดเสร็จ แ, แล้วพอมีโทสะจิตไม่ชอบมันอยากให้หายนี่ให้รู้ว่าจิตไม่ชอบโทสะตัวโทสะเป็นอดีตแล้วจิตที่ไม่ชอบโทสานี่เป็นปัจจุบัน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 จิตขณะนี้เป็นยังไงตื่นเต้นอยู่อะคะอ่ะตื่นเต้นถูกต้องเดี๋ยวนั่งไปก่อนนะอาคนอื่นก่อนเพราะตอนนี้จิตไม่เป็นปกติมันไม่ไม่เหมือนธรรมดาที่เคยเป็นนะน้ำมศการหลวงพ่อค่ะมาจากนครสวรรค์ น, นะคะแล้วได้มาศึกษาหลวงทางของหลวงพ่อประมาณเดือนพฤษภาถึงวันนี้แล้วเนี่ยบางครั้ง ส, สอนหนังสือแล้วเผลอไปทั้งวันมันรู้สต่ตอนเย็นอยากเรียนหลวงพ่อว่า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 ว่าตอนนั้นไปอยู่ในวัดป่าเนี่ยเกือบสามสิบปีไปแล้วนะตอนเช้าเดินไปเห็นเก้าอี้หินนะอยู่ใต้ต้นไม้ร่มรื่นริมสระน้ําใจมันคิดเลยตรงนี้น่าภาวนาเียอยากภาวนาอยู่ที่นี่ทั้งวันเลยพนะระองค์หนึ่งท่านตะกวนข้ามสระน้ำมาเลยบอกราโมทอยากปฏิบัติก็ผิดแล้วโอ้ตอนนั้นรู้ทันเลยอยากปฏิบัติก็ผิดแล้วนะนะเราเห็นความอยากเลยเนี่ยนะนั้นให้รู้ลงปัจจุบันไปด้วย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 รู้สึกเหมือนตอนที่มันเกิดอาการทั้งพวกนั้นเนี่ยไม่ไม่ได้รู้ว่าเป็นเรื่องแล้วตอนที่กําลังเกิดสภาวะธรรมขึ้นมาเนี่ยนะไม่ใช่เวลาที่จะรู้การดูจิตเราจะรู้ตามหลังเนะช่นโกรธขึ้นก่อนแล้วรู้ว่าโกรธนะไม่ใช่โกรธไปรู้ไปนะนะโลภขึ้นมาก่อนแล้วรู้ว่าโลภเสลอไปก่อนแล้วรู้ว่าเสล อ, อนี้ถึงจะถูกต้องการดูจิตเป็นการตามดูนะท่านใช้คําว่าจิตตาอนุปัสนา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 เรียนหลวงพะะ่อค่ะดิฉันรู้สึกว่าปฏิบัติแล้ว ม, มันไม่เป็นธรรมชาตินะคะไม่เป็นธรรมชาติถูกต้องดีที่รู้นะดีที่รู้อยากเป็นธรรมชาติไหมอยากก็ไม่ดีเอออยากก็ให้รู้ว่าอยากกันแหละจริงๆแล้วการปฏิบัติง่ายกว่าที่เราคิดนะการปฏิบัติทำเหมือนเส้นผมบางภูเขา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 ของเราคนไทยเราชอบมาแปลว่าทุก์เป็นของควรกําหนดรู้ปรินเยยยางไม่ได้แปลว่ากําหนดรู้ปริญเยยยางมาจากคาว่าปะริปะริแปลว่ารอบเยยยางมาจากคำว่ายารากศัพท์ของมันคือยายอหญิงสละอาแปลว่ารู้ปริญเยยยางก็ควรรู้ให้รอบควรรู้รอบหมายถึงอะไรรู้รอบในกองทุกข์ก็คือรู้กายรู้ใจนั่นเองไม่ใช่รู้อันใดอันหนึ่งนะ